ขอยอ่อก่อนครับไหวบูชาคุณวิดามาดาตูบ า, าจาร์ที่ได้ศึกษาตำราของท่านมี่คุณอ น, นันต์แบ่งปันวิชาจะขอไหว้วอนยอก่อนสายว่าน้อมเสียนวันตาเจตนาจากใจกูร้องกูเล่นกูเต้นรำไทยกูสอนทั่วไปเพื่อใจเมย มานาดีตีปีชาวา ปันแต้งรัวการแสดงศิงปกรรมทรงใจ ขอน้อมเสียนาำขอบูชาคุณกายกรรมวาจิก ร, รมมนโนกรรมอังอารุปรับขอโอกาสหามานอกอวสิกรรมให้ขามีปัญญา